ปฏิบัติธรรมกันให้มีสติกำกับการใช้กายใช้ใจอาศัยรูปแบบของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ขี่ได้แนะนำเอาไว้ อย่าให้ความคิดพา ร, รมที่เขียดก็หยุดที่ขยันก็ทำบางทีเวลาอยู่ในภาคปฏิบัติในสนามก็มีอารมณ์เกิดขึ้นก็กเข้าไปกับกายกับใจ ไม่รู้จักแก้ไขไม่มีสติปล่อยให้หลงเป็นหลงปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์ปล่อยให้โกรธเป็นโกรธปล่อยให้คิดเป็นคิดปล่อยให้สุขเป็นสุขปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์นั่ก็ได้โอกาสเวลานั่งเวลานอนยิ่งพวกเราไม่มีกิตกรรมที่เป็นงานเป็นการกระทำประจำ เาอยู่ในวัดวาอารามจับหลักไม่ถูกก็จะรีถลายได้มีโอกาสคิดมากมีโอกาสหลงมากและมีโอกาสเกิดเกิเลสตันหาราคามากเราจึงให้มันชัดเจนแม่นยำกับการฝึกตนสอนตน วัตถุที่ทำให้หลงมีมากในตัวก็มีนอกตัวก็มีแล้วก็เคยมีมามากแล้วจากตั้งแต่วันที่เราได้เกิดมาจนถึงวันนี้วัตถุทําให้หลงอาจจะยิ่งใหญ่อยู่ในกายในใจเรา วัตถุที่ทำให้รู้อาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปเราจึงต้องให้ทำอะไรให้มันเยบคลายให้มันตรงกันข้ามอยู่เสมอจะให้มันสุดตรงไปทางใดทางหนึ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้สแสดงไว้เห็นกายสุขว่ากายแต่เห็นกายเป็นกูเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์กายไปต่อความสุขกายไปต่อความทุกข์กายไปต่อเชีวิตต่างๆล้วก็เพี้ยนไปแล้วเวลาเราปฏิบัติได้สอนกายให้มันรู้ เห็นกายสภาวะกายไม่ใช่สดบุคคลตัวตนโลเขาง่ายง่ายอย่างนี้สูตรเดียวหลักเดียวอย่างนี้ไม่ใช่หลายเรื่องในที่เกิดกับกายมีจิตเห็นกายสภาวะกายก็จบได้มาเป็นกายมาเป็นอาการที่มันเกิดขึ้น มันก็จะแทนที่กันได้เหมือนเราหิวข้าวกินข้าวความกินข้าวที่เรากระผแทนที่ความหิวไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหรจะอิม่มมันต้องมีการกระทำเคี่ยวอาหารคำเหล้วคำเล่คาลคื้นลงไป ไม่ต้องไปชิดไม่ต้องไม่มีวิธีอืนอ่นเป็นกรร ม, มวิธีการกินข้าวไม่ความอยากพากินไว้ตัวลดพากินจินด้วยกินลิอยากอาการต่างๆที่มันถูกมันท้องต่อไปมาก็อิ่มได้เพิมหิวกับความอิม่ม <c oughs> ก็ต่างกันอยู่ไม่ต้องมีคำถามใครหิวไปยังไรอิ่มไปยังไรนั่นมีวิธีปฏิบัติตอความหิวที่ถูกต้องมัเกิดความอิ่มขึ้นมาใ น, ในใจในใจในจิตใน วิญญาณในรูปในนามก็เช่นเดียวกันกรรมตัวเป็นกฎสำคัญการกินข้าวทานอาหารเป็นกรรมแก่ความหิวและความรู้สึกตัวเป็นกรรมแก่ทุกเรื่องที่เกิดขึปลาปกับใจรู้ไปรู้ปไปเหมือนกับกรรมในการกระทาต่อกายต่ อ, อ, อใจ เดี๋ยวมันก็อี่มไปในกายอี่มไปในจิตใจนี่จะสติแทนที่ความหลงความทุกข์ความโกรธฉลีตตั้หาได้ส ต, ติมันเป็นทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกอย่างมาเป็นความรู้สึกตัวมาลักษณะการปฏิบัติ ดังพระเจ้าถอนสอนว่ายถอนความพอใจเ <c oughs> นี่ยกลวมไม่พอใจในโลออกเสียได้เหมือนกับเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ดึงไม่ให้ถอนเหมือนวัตถุสจึงของยังแต่สุกเห็นเหมือนสุขไม่เป็นผู้สุขนั่นคือถอนทุกเห็นเหมืนทุกไม่เป็นผู้ทุก <c oughs> ลักสนานี้เป็นการปฏิบัติไม่ถอนเป็นกิริยาอาการต่างๆถนในการปฏิบัติมีสติเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากทุกถอนออกมาแล้วเห็นเหมือนหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงถอนออกมาแล้วอะไรที่มาเกิดกับกายกับใจทำรักษณะเดียวเท่านั้น เห็นไม่เป็น น, นกอพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะที่เห็นก็ต้องซ่อมเอาไว้ดังเรามีสติเห็นกายอยู่เป็นประจําเห็นกายอยู่เป็นประจำเราซ่อมมาอย่างนี้มันก็ได้ใช่มีสติก็ได้ใช่สติสตจิตเป็นในกาย สิ่งที่มันเกิดกับกายก็เป็นสติใช่มีสติไปในเวทนาสิ่งที่มันเกิดกับเวทนาก็มีสติใช่สิ่งที่มันเกิดกับจิตก็มีสติใช่ที่มันเป็นธรรมที่มันครบคุมทุกเรื่องก็มีสติใช่ในว่าไม่จนเป็นผู้ไม่จนให้ใช่ให้ ให้เขานย่อนใจอย่าทิ้งอย่าปล่อยทุละโอกาสให้เป็นอื่นจึงจะเป็นกรรมฐานที่มีผลเป็นกรรมที่เป็นผลถ้าไม่ทำอย่างนี้เป็นการตัดกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลมีแต่กิริยาไม่เป็นกรรมจริง นั่งอยู่ก็ปล่อยความง่วงเขงาง่วงหนึ่งนาทีสองนาทีไม่ถอนให้เป็นความรู้นั่งอยู่ปล่อยไปคิดกันพ่อไปไหลไปที่ไหนไม่ได้กลับมารู้ไม่ได้รู้ไม่ได้สอนไม่ได้สอนที่เหมือนคิดไม่ได้สอนที่เหมือนสุขไม่ได้สอนที่เหมือนทุกข์เป็นภาวะที่รู้แล้วก็ไม่มีความเกิดขึ้น มื่ไป่ถูกสอนมนก็ไม่รู้เรื่องร่วมหลงไม่รู้เรื่องมันก็ยังหลงหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกสุขเป็นสุขพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจเช่นนั่นอยู่ตลอดไปเราจึงสอนตัวเองเวียนตัวเองแค่ตัวเองโดย พ, พ, พ, พระภาคปฏิบัติมาสนุกศอนมีงานการยเยอะแยะ ได้สอนกน็ได้สอนจิตใจเห็นทุกเรื่องสติตัวเราเองเห็นตัวเราเองเตือนตัวเราเองติเตือนตัวเราเองสอนได้ทุกเรื่องถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็สอนไม่ได้คนอื่นก็สอนไม่ได้วิชากรรมฐานถึงวิชาที่เป็นวิชาที่สอนตนเอง มีข้อผิดข้ออะไรมากมายจะมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากรมหลงก็จีอาศอาศงขยหลงมากแต่ถ้ามีความรู้อันเดียวย่า อย่าให้เป็นอื่นอย่าไปหาเหตุ้าปัจจัยอ่นอื่นไม่เอาเหตุเอาผลมาประกอบภาคปฏิบัติเป็นการกระทำรุ่นร้ว น, นตรงตร ง, ตรงทำใหม่ทำใหม่ไม่ต้องมีไม่น่าจะเป็นอย่างนน้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นน จ, ะนนจะได้หรือไม่ได้จะผิดหรือจะถูกกลัวอันโนนกลัวนี่ มันดีกังวลไปงานการเลยไม่ชัดเจนกำลังสติก็น้อยเอาเหตุเหตุไปผลมยแยอเช่นมันหลงแต่ไมจึงหลงไม่น่าจะหลงไม่อยากให้มันหลงได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่เชื่อมแข็งสติไม่เชืเ่อมแข็งมแต่ตอรอง มือนผัดวันประกันพุ่งงานก่อนชี่เกี่ยวที่คล้านงานข้างคางเอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีก็เดี๋ยวให้มันชิดก่อนให้มันสุกสักหน่อยให้มันทุกข์สักหน่อยน่อยทีก็เคยคินมาเคยติดเคยติดสุกเป็นสุกเคยติดทุกข์เป็นทุกข์เคยติดหลงเป็นหลง นะอะไรก็เป็นเรื่องนั้นรวมหลงก็เป็นหลงรวมสุข ก, ก็เป็นสุขรวมทุกข์ก็เป็นทุกข์มันเคยคิดแบบนั้นก็ราองทวนก็เฉยกันพอสมควรในการปฏิบัติอาไม่อยู่เฉยเฉยหอกมิเงนตัวสอนตัวเองอาจะทุกข์วินาทีก็ได้ถ้ามันไม่มีอะไรที่สอนกับลู่ไป อยู่เฉยๆก็รู้ได้หายใจก็รู้ได้พิภตาก็รู้ได้หยอกหยาบจากกลางจากเบาจากละเอียดอย่างหยาบ ก, ก็คือการเคลื่อนไหวยอย่างกลางก็คือลมหายใจอย่างละเอียดคือมันคิดการคิดไม่มีใครเห็นมีแต่ตัวสติเห็นลมหายใจก็อาจจะเห็นกันบ้าง การคืบไปก็เห็นกันว่างแล้วก็เพืกันทุกทุกรูปแบบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้มัอนชำห้ชํานาญได้มีอย่างหยาบาเพื่อเชื่อย่างกลางเพื่อเชื่ออย่างละเอียดไล่ในที่ไปจัละเอียดเลยมันก็ยุ่งยากไปห้ามคิดไมอยากให้มันคิด ความชีพเป็นเรื่องยากกำลังสติมันน้อยเหมือนกับน้ำน้อยย่อมแพ้ไยเราจึงมีวิธีฝึกให้มีสติเป็ น, นกายก่อนกา ย, ยาบญหยับเมื่อเห็นกายก็เห็นทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับจิตที่เป็นรูปเป็นนาม ให้ได้ข้อมูลจากกาจากกิจใจเมื่อจะได้หลักฐานได้หลักได้วิธีไม่เยอเอาเหตุเอาผลมันจะหลงตัวเมื่อมันหลงไม่ได้ไปป้องกันกมันมันจะทุกข์จะเมื่อมันทุกข์มันจะสุกจะเมื่อมันสุขปล่อยเลยอีฉลักษ เราจะได้มีสติได้เห็นกานฝึกมีสติการฝึกแบบสติปัญฐานนี่ไม่ได้ควบคุมอะไรออกมามันกัดปล่อยเป็ดออกจากขั้กจากโคกแล้วจู่ต้องประตูมันแต่นับเป็ดร้อตัวกับ น, นับที่ประตูไม่ใช่ตามไป ตัวในออกมาก็ตามไปดูมันก็นับไปได้ไม่รู้จำนวนเหมือ น, นกับเหมือ น, น, นกับเป็นอย่างนั้นตัวสติอยู่ที่ประตูงอญถาวรมันเห็นมันออกมาให้เห็นหมดพาผ่านถ้าไม่มีสติก็มืดไม่รู้ไปฟรีๆออกไปฟรีๆ ในเคยได้ลำดับลำลำกํากับไม่มีภาคเรียนไม่มีภาคศึกษาไม่มีภาคปฏิบัติ <c oughs> ไม่ได้จำนวนคลองอะไรก็ไม่ได้คลองตนไม่ได้คลองจิตไม่ได้ครองงานไม่ได้คลองศีลคองธรรมไม่ได้โมกไม่รู้เราพึกจกจนี่มันคลองตนมันคลองศีลคลองธรรม คองการคองงานได้มันกว้างใหญ่ไปสารหมากแก่การงานเราจึงต้องให้พอสมควรการผึกตนสนตนบางทีมันหมกมุ่นคุนคิดําคำตอบจากความคิดมีในภาคปฏิบัติชู้กความคิดอย่างเดียว ชู้ไม่ถูกวิธีมันก็มันก็ยิ่งเลอะเทอะไปง่ายๆหลักปฏิบัติเห็นมันคิดไม่ได้เป็นผู้คิดไม่ได้เข้าไปในความคิดถอนออกมาเห็นให้เป็นผู้เห็นถ้าเป็นผู้เห็นมันก็ง่าย ไม่ได้ไปห้ามมันมันไปไม่ได้ถ้าเห็นมันคิดเหมือนกับนึกว่าขโมยมาลักของเจ้าของเห็นอยู่มันจะมันก็ไม่กล้าลักมันอายเจ้าของแม่เป็นเด็กๆที่เป็นเจ้าของถ้าขโมยมันจะมาเอาเด็กน้อยเห็นมันก็ไม่กล้า มันนี่เหมือนเกิดกับเราจึงพูดอยู่เสมอว่าสติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจอะไรที่มาเกิดกับกายกับใจถ้าเป็นสติเป็นเจ้าของมันก็ยิ่งใหญ่มีอำนาจเห็นเนี่ยเห็นอะไรที่เกิดกับกายเห็นอะไรที่เกิดกับจิตใจเห็นมัน เห็นภาพปฏิบัติต่อภาวะที่เห็นก็มีอะไรที่ไม่ต่อไปอีกเรียกว่ากลับมาเห็นไม่เปลี่ยนกลับมาที่ตั้งมันมีวิธีปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบเป็นชั้นอุดมแบบจึกศรีแบบอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ชะเงอชะงาไม่ได้เชื่องชาเฉยเายไม่ที่สุด เอาเห็นเนีวว่ยไว้กับเหียงกัเแสงต่ออาการที่ เ, เกิดกับกายกับใจไม่มีอะไรไว้เท่ากับภาวะที่เห็นคือสติที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดกับกายกับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงในภาคปฏิบัติมล้ก็เป็นกรอบเป็นกรำขึ้นมาวที่ฉุดไม่มีแต่เห็นเห็น เมื่อเห็นเห็นเน้นมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรกับสิ่งที่เห็นมามันก็จบไปง่ายมีเท่าไหร่ก็จบก็เป็นหรือจบไม่จบสักทีหรือตลอดพราะตลอดชาติยิ่งพอกปูนไปมากมาย ฉุกเป็นถุกทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจแล้วก็ไปกันใหญ่มีกายก็เพิ่งไม่ได้มีใจก็เพิ่งไม่ได้เอาเพราวะที่เป็นเป็นใหญ่ไปเลยแล้วก็คลองเราก็ตกเป็นทาตเป็นที้ข้าแม้แต่ความคิดก็เป็นขี้ข้าความคิด เป็นธาตุความคิดออกจากความคิดไม่เป็นอย่าปล่อยตัวเองทิ่งเนอะปฏิบัติกรตือรือร้นที่จะช่วยตัวเองยกคนขึ้นช่วยตัวเองเน้ก็ททำได้ทุกอย่างไม่เช่ช่วยไม่ได้ช่วยได้ทุกอย่างการช่วยกาช่วยใจเนีย่ยในภาพปฏิบัติ ว่าวะที่เป็นสตินึ่งเอไว้ก่อนเห็นไม่เป็นเองทำได้ง่ายๆจริงโดยที่เกยดกับกายกับรูปเห็นนี่เราช่วยแล้วถ้าเป็นละมันซ่อมเติมสุกเป็นสุกซ่อมเติมกายทุกเป็นทุก์ซ่อมเติมกายทําให้กายไม่รู้เรื่องจิตใจก็เหมือนกันโกรธเป็นโกรธซ่อมเติมจิต วิญญาณทุกเป็นทุกซ่อมเติมจิตวิญญาณหลงเป็นหลงพอใจเป็นไม่พอใจซ่อมเติมแลไม่เป็นทุกเป็นโทษต่อจิตวิญญาณกลายเป็นจรินิสัยเราเคยพึ่งไม่ได้แต่ไปคลองแล้ว เมื่อขอไปขอเขาเป็นใหญ่เอาเืนมาที่ยากเหมือนสุ ม, มนทาถูยากยักษ์กงปันลักพาไปตืงสินไสสีหูสังทองรว้าักไหมคิดหน่อยสินไทยสินไสสีหูสิงทองตามสุ ม, มนทาคืนมา ในทานอีสา น, เ พ, นเพื่อนเพื่อนเมืองกลจะถามสุกันธาขึ้นมาได้ต้องสู้จนแหลกไปเลยนะสุกันทาก็ในไปอยู่กับยักษ์ยักษ์เอาไปยักษ์เอาไปก็พอใจในยักษ์ชินใจตามไปถึงตัวแล้วเอาขึ้นมายังต่อลองเดี๋ยวพี่ยักษ์ไม่อยู่ยักษ์ยังไม่กลับมาขอหลาพิยักษ์ก่อน เฉยะต้องขี้ขาดจะไปที่ไม่ไปถ้าไม่ไปก็คอขาดเดี๋ยวนี้ลากไปอ่าไปแล้วยังยักษ์ยังตามมาเอาอยู่สู้กันกับยักษ์ใหก่สุมนทาสุไปงามสะอาดบริสุทธิ์มนทาคือมนทินเปือเป่อนจิตใจหร้อเห็นความหลงความโกรธ อย่าโกรธตัเพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้นั่นแหละสุมนทฑาไม่โกรธไม่ได้แต่กูได้โกรธกูไม่ได่ามันก็ไม่ยอมด่ากันจนได้ข้ากันจนได้ตามตามความโกรธเอาเขินลยอย่างนึก ว, ว่าสุมณฑาจิตที่มีหมือนตินที่ถูกย้อมพ่อคุณตายไปจะหลีนนิสยด่าฆ่าจริลีทุส่จะหลีโมหะจะหลี เอาคืนยากถ้ามันมันไปอ้อมอยู่อ้อมอกขอ ง, ข ง, ขขขขงกุมแผ่นคือยักคือบนทินบนทินคือจิลิตันหาแล้วครับมันเป็นเรื่องใหญ่อรินิชุก็ตามม <c oughs> าที่หัสังท่องสินใจสินใจก็คือศินที่หัคือสองทิตปัญญาคือสังโถง ช่วยกันเสียนมีสมาธิมีปัญญาหนักแน่นเอาไว้แล้ววันบ่ายเธอเสียนชื่อไม่ได้เรียกพี่สีโหรืห้สีโหรมาช่วยสมาธิมั่นใจไม่ต้องพูดอย่าเพิ่งพูดนิ่งไว้ก่อนเวลาโกรธอย่พูดนิ่งไว้สีโหรใช่ไหม <laughs> อย่าด่วนพูดเวลาโกรธอย่าพูดนิ่งไว้ นี่นี่ว่าสีหูนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้เวลาเขาดุก็ดา่านิ่งไว้สีหูแล้วก็มีปัญญาช่วยว่าสังทอเยอะแยะอุปกรณ์วัตถุหรือขนธรรมที่จะช่วยฝึกตนสอนตอน น, นี่มากเมืง่ไงในตัวเราเนี่ย มันเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติจริงๆกายจิตวิญญาณเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเพื่อทำนะไม่ใช่เพื่อโลกเพื่อบนทินอะไรต่างๆเราจะมาฝึกตนสอนตนให้มันได้พึ่งภาเสดายถ้าฝึกแล้วมันจะเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายไ ด, ได้ถ้าไม่ฝึกก็ เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาในกายก็เกิดดับเกิดดับเปลนฉุกเปลนทุกเปุเปลนทุ ก, ทกพอใจไม่พอใจเป็นภาระสิ้นเปืองพลังงานเสียพลังงานในด้านจิตวิญญาณก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับข่มร้ายข่มดีผูผู้แฝบแฝบบงครัว่าฝันกลางวั า, วาคิดบางคืั้งเป็นควันบางวันเป็นเปรีป้ยวพึ่ง ปาจิตวิญญาณก็ม่ได้ยิ่งมาลงโทษตัวเราจนถึงอะไรต่างๆเพื่อนไปอาภาษต้องเก็บกว่วยเราจึงนี่ควรประมาณทนี่ออนที่สุดรวมไม่เที่ยงตัวเป็นทุกข์เป็นเจ้าของเอามาเป็นทุกข์ กลัไม่เที่ยงกับบ็นทุกกลัวไม่ทุกก็บปรนทุกข์กลัวไม่ช่วยตัวตนก็บปรนทุกข์เดแก่เกิดตายยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มีวิธเพื่อแก่เพื่อเจ็บ เ, เ, เ, เ, เพื่อตายโอจะรับทุกข์รับโทษเหมือนนักโทษตุกประหารแล้วยอมรับจำนวนหมดเมื่อบวตัว ต้อมาฝึกตนสอนตนเพื่อให้มันมีชัยชนะบ้างอะไรที่มันเป็นทุกเป็นโทษที่มาเกิดกับกายกับใจเนีไม่ใช่โยมไม่ใช่จำนวนนับดูแต่ไม่จำนวนเห็นเหมือนแก่ไม่ได้เป็นผู้แก่เห็นเหมือนเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตาย ไม่จำนวนต่อความแก่ความเจ็บความตายมันมีกีเลสอย่ญญางออ ก, าออกาอมาดูออกมาดูถอนออกมาดูไม่ไปอยู่กับมันต้องฝึกไวหัดไว้ต้องเจอต้องเจ็บต้องตายยังไม่ถึงเแค่นั้นก็นั่งอยู่นี่มันต้องหลงต้องสุขต้องทุกขนี่แหละกระแสแห่งความแก่ความเจ็บความตาย มันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไม่โกรธนี่ก็เฉืแห่งมากผลถ้าหัดอย่างนี้ก็เป็นเป็น <c oughs> เป็นทางไปมันมีโดยเฉพาะความรู้จึกตัวเนี่ยไในกายในจิตในรูปในนามเนี่ยมันเป็นเฉื่อยแห่งมากผลนี่ผ่านเห็นความหลง คไงไม่หลงว่ามีมีไหมแคีน้อยในความหลงความไม่หลงมีไหมความทุกข์ความไม่ทุกข์มีไหมความโกรธความไม่โกรธมีไหมแล้วจนไม่เรื่องนี้น่าจะจนไหมแค่นี้เหรอจนเหรอความโกรธมันเอามีดเอาปืนมาบังคับเลยความหลงมันเอามีดเอาปืนมาบังคับเลยใช่ไมจึงไม่สู้ไม่ยอมหลองเปลี่ยนดูสิวิธีเปียงก็รู้กลับมานี่ย แต่มอรู้สึกตัวนี่ยเป็นกรรมที่ฉกฉิดหลังกรรมที่ักฉิดเน่ยนี่มั่นใจจริงๆนะสามัญชนมาฝึกอย่างนี้สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธะได้ในเชื่อเราก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติเชื่อมั่นในหลักธรรมเพื่อมั่นใน วิธีปฏิบัติต่อชิงต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ว่าภัายที่ว่าทุกที่ว่าโกรธโลภหลงกิเลสตันหาละคะบอให้เกิดเป็นเพืปัเป็นิอดเชื่อมั่นมากเชื่อมั่นในการตัดสู่พระเจ้า เชื่อมันในวิธีการปฏิบัติทาให้เกิดการตัดรูปเป็นพุทธะขึ้นมามันก็อยู่ที่เรานี่มือมาวางไว้เขาก็รู้เนี่ยข้อแขงเขาก็รู้เนี่ยเอยียขนเขาก็รู้เนี่ยเหมือนกันหมดนยไม่มีใครไม่รู้นะถามทุกคนว่ามือใช่ไหนมือวางไว้บนเขาก็ตอบได้หมดทุกคนใครเป็นผู้เห็นมือเห็นเอง เป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัตินี่ก็ไม่ได้โกหกหลอกหลวงเห็นด้วยไหมเวลาเราหลงว่ไม่หลงมีไหมเห็นด้วยไหมทุกคนก็ตอบ ว, ว่ามีทำไมไม่เปลี่ยนให้มันไม่หลงให้มันรู้จ้าเวลามันทุกข์มีไหม เขไม่ทุกข์ไหมไหมเปลี่ยนไหมเห็นด้วยไหมหรือจะปล่อยมันทุกข์จะปล่อยมันโกรธถ้าปล่อยมันทุกข์มันโกรธอยู่มีค่าอะไรชีวิตเรามีค่าอะไรถ้าจะปล่อยต้องไปทุกข์สงสารพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากจะเป็นทุกข์ไอ้ใครที่อยู่ที่นี่ก็ไม่อยากเห็นคนที่เป็นทุกข์อยากช่วยเหลือ ้เราต้องช่วยเหลือตัวเองตัวคนอื่นจะช่วยเหลือเราแม้แต่ทุกบงังเหก็ต้องอาใช้บุคคลที่หนึ่งที่สองวัตถุหนึ่งที่สองช่วยแต่อในความทุกจริงเราช่วยตัวเราแล้วเห็นเราเมื่อมีวัตถุที่นที่สองมาช่วยมันก็เกิดแนวร่วมขึ้นมาเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายขึ้นมา ตดวหวงต้งสอนฝังจึงพอใจะในลานฝึกกรรมาฐานพอใจะในการบอกเป็นเพื่อนเป็นมิตรขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีชีวิตหนุอกเดียวกันมีกายมีใจเป็นรูปเป็นน้ำเหมือนกัน นี่เหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยจึงพอใจในการงานแบบนี้ขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรถ้าฝึกตนสอนตนตามที่พีเจ้าสอนไม่ผิดทิศผิดทางแน่นอนไปสู่มรรคส่ผลเมื่อการเกิดใจเจ็บต่อยในชีวิตนี้ในวันนี้ในพรุ่งนี้ได้ถ่าทีพิถีพิถัน คิดเหนแม่นยำสักหน่อยนะความยาวเป็นความสั้นขึ้นมาเร็วไหวเร็วไหวคือเห็นไม่เป็นมันหลงเห็นมันหลงไหวที่สุดมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไหวที่สุดมันสุขมันอะไรต่างๆเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นไหวที่สุดถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์นี่โน่นชาเห็นนี่มันขึ้นง่ายถ้าเป็นฝังขึ้นง่าย จะเป็นเราลึกมากนั่นเลยสอนตัวเองในเวลาปฏิบัติไม่การให้สอนอาการที่มันเกิดกกบดการกระจาให้เราได้บทเรียนมากมายได้ประสบการณ์มากมายถ้าทายอเลยก็ได้ถ้าเรามีหลักดีเราเนาะช่วยมันเนาะมีสนามมีชัยภูมิที่ดี ขัวเหนือขัวมีพลกำลังพลที่สูงกล่วเหมือนกองทัพทหารที่ฝึกเข้มแข็งที่สุดคือประเทศเนปาลต้องเป็นครูสอนฝึกทหารทั่วโลกก็เข้มแข็งได้ยอย่างไรนะทำไมประเทศเนปาลทหารจึงเข้มแข็ง อ๋อพ่อเคเป็นนอนอยู่ฟ like. ูเขาหิมะไหลอ่ะเปนนอบนยอดเขาหิมะไหลอ่ะที่ประเทศไหนปานทหารมันวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านพักหลวงพ่อมันอยู่ติดกับถนนเออเออเออบิ้มบิ้มเบิ้มเบิ้มอีกน่อยก็เลยเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ้มตลอดคืนเลยมันฝึก ปิ้งขึ้นเขาปิ้งลงเขามันก็เชื่อมแข็งแลวนี่มาฝึกเชื่อมแข็งต่างหานหาันกำลังผลสติเป็นกำลังพลยิ่งใหญ่กำลังพลปา่าบา้ารุษย์เยอะแยะเลยให้มีไว้ให้มีไว้หายใจเข้าู้จึกคืบมาคืบมาโจึกให้ฝึกให้มีกำลังพลมากๆ ม, มีสติเป็นหน้าโลก แต่ติเป็นหน้าโลกเหมือนพระขี่หนาศกผู้มีสติเป็นวินยัยพระขี่หนาศกคือพระรหันต์พระรหันต์คือมีผู้มีสติเป็นวินยัยประกานการใช้ชีวิตให้มีวินยัยมีระเบียบการปฏิบัติมีระเบียบวินยัยจัดสรรตัวเองให้ดีอย่าให้เสโลส ล, สลาเร่งความคิดก็เป็นระเบียบ เมื่อมีสติเป็นหน้าโลบเหมือนพระขี่หน่อศกผู้มีสติเป็นวิญญาณไม่ใช่พระอรหันทรเหมอนเดินฟ้าขี่หน่ศกคือพระอรหันต์มีสติเป็นวิญญาเป็นหน้าโลกรอบรูดในกองสังขารหายสังขารจิตสังขารรอบรูดไม่ง้อไม่หลงอันนี้นะ เอาสองขวัญเจวลาอาัพพ่องกัน